แนะนำบทอั a uh a. บดุฮาบทอับด uh ุฮาเป็นบทมักกิยาะมีสิบอองค์การบทได้เริ่มด้วยการสาบานต่อความประเสริฐของท่านรอซูลลลอสลลัลลอฮ์ะละวะซัลลัมเพราะว่าพระเจ้าของท่านไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้โกรธเคืองท่านตามที่พวกมุชริกีนกล่าวอ้างแต่ประการใดสำหรับท่านะที่อลัลลอฮ์นั้นมีตำแหน่งสูงและมีสถานะอันยิ่งใหญ่และบทได้แจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงการประทานให้อย่างมากมายในโลกอาซิระ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 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ว, บบวอขอสาบานด้วยเวลาสายและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืม ด, ดรามาพระผู้มิบาลของเจ้ามิได้ทอดทิ้งเจ้าและไม่ได้โกรธเคืองเจ้า และแน่นอนบ้านปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้นและแน่นอนพระผู้ริบาลของเจ้าจะให้แก่เจ้าแล้วเจ้าก็จะพอใจพระองค์ไม่ได้ทรงพบเจ้าเป็นกําพราแล้วทรงให้ที่พึ่งหรือเพราะว่าจะได้ก้อนเล่าฟ้า และทรงพบเจ้าพระเหรเร่ร่อนแล้วก็ชี้ทางนางแก่เจ้าใช่ไหมและทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสนและให้ความมั่งคั่งแก่เจ้าใช่ไหมตอดังนั้นสำหรับเด็กกำพร้าเจ้าจงอยากข่มเหงและส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าจงยาตาวาดขับไล่มมและส่วนความโปรดปรานแห่งพระผู้วิบาลของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก